ช่วยกันช่วยกันพวกเราช่วยกันทาความดีสร้างความดีพูดคำที่ดีคิดสิ่งที่ดีปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติตงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควรตามหน้าที่ของเราหน้าที่เป็นพระสงฆ์ ก็ปฏิบัติตามหลักงมมวินัยให้ถึงวาสุกวาสิกาปฏิบัติตามหน้าที่ของตนไม่เชื่อมองคลตื่นข่าวเชื่อก ร, รมเชื่อการเชื่อการกระทาของตนเองํำบุญแต่นในศาสนาอย่าทำบุญนอกศาสนา ตัวมูลในศาสนาคือตัวมูลในการในใจในวาจาของเราจาแปลดีกับายโนกเชื่อเครื่องรางของของังฤิติปฏิหารนันใดให้เชื่อมั่นในการทำความดีมีความดีจะต้องทำเยอะๆมีลูกมีหลานมีบ้านมีเรือนมีทรัพย์สินสะดึงคานมีหน้าที่อบรงสั่งสอนเป็นแบบอย่าง ให้กันแล้วกันพระสงก็อา่าทำหน้าที่ตามอาริยธรรมที่ใดมีธรรมวิมนัยที่นั่นก็มีมรรคมีผลทำวินัยทำให้เกิดบ้ากเกิดผลเหมือนโทษว่าที่มีลาแก้วมั่นคงไม่ไม่ล้มไม่เอน็นไม่เอียง ก็เกิดลำต้นแข็งแรงเกิดดอกเกิดจริงก้านสาขาเกิดดอกเกิดผลขึ้นมาเป็นมากเป็นผลเพราะฐานอยู่ในธรรมวินยัยอยู่โดยชอบไม่โะวิวาทไม่เบียดเบียนตนแดงได้คนอื่นไม่ทำตนแดงให้เป็นทุกข์ไม่ทำคนอื่นให้เป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าหน้าที่ของเราแม้ เวลาที่เรามาอยู่นี่ไม่ทำมาหากินที่ไหนก็มีแต่ทำความดีทางวัดเชา้าทำเย็นเอาความดีมาพูดกันคิดเติมดีคิดทำ ค, ความดีสั่งสอนตนเองอะไรที่มันเป็นความดีให้มันเกิดจากชีวิตเราให้ได้นักบวดเนี่ยมีสิ่งที่อยกเป็นความดีเกิดขึ้นแจ ชีวิตของเราที่ใช้เวลาบวชไม่มีอะไรเป็นสวัสดิ์ของเราเสียสละทำอะไรจนรอดร่วมรอดตายเป็นสมบัติส่วนรวมนี่เรีวยกว่าก็ยากพอจงควรที่จะมาช่วยกันให้เป็นประโยชน์เกิดขึ้นจมจนที่เราอาศัยมูคณะ ที่อยู่ด้วยกันเมื่อบวชแล้วศึกไปให้มีความดีติดตามไปความดีไปแสดงออกทางกายวาจาใจเอาไปทำให้พ้นจากความชั่วอันหลังให้ความชั่วไปสู่ความดีแล้วจนในเรียกว่าผู้รู้ ผู้รู้แล้วเรียกว่าบัณฑิตเราก็เรียกว่าทิศทิศไม่ใช่เสียงไม่ใช่คนตายคนดิบเป็นทิศเป็นบัณฑิตผู้รู้ในรูปเป็นทิศในรูปชายเป็นบัณฑิตแล้วพ่อแม่ก็ลงทุนลงแรงสร้างกองวอด อยู่กรุงเทพแฮ่กันมาเหมารถเหมาหลามาอยู่ที่ไหนก็แฮ่กันได้ปวดลูกชายเนี่ยโอ้ยปลื้มใจเรื่องโรคปวดจิตได้บว ด, มว ด, ด, ด, บวดสมปาถนาของพ่อแม่เราเราก็ต้องเป็นคนดีให้ได้ดีของเรามันเป็นผลกระทบต่อคนที่เบื้องหน้าเราคือพ่อกับแม่ทุกคนในพ่อแม่นะ มีนี่เห็นมีนี่ไม่ใช่นี่กันน ะ, ะเราก็มีนี่นี่พอ่อนี่แม่เราไม่พอยังมีนี่อีกเยอะๆเลยที่เราจะต้องให้เกิดความสะดวกแก่ชีวิตเราในการทั้งหลายทั้งข่วงหล่ธรรมชาติต้นไม้ใหญ่ช่วยเราต้นไม้น้อยก็ช่วยเรา ต้นไม้ัวนี้ทำหน้าที่ช่วยเราทำคาร์บอนมลนกซัยให้เป็นออกซิเจนโปลมาให้เราหายใจแล้วก็หายใจได้ได้ชีวิตได้ชีวาขึ้นมาเดีย๋ยวนี้เขามีวิทยาศาสตร์หายใจออกซิเจนหายใจ i c ซจาลงล้มข้อน่ะหายใจด้วยต็งๆไม่ได้ต้องอาศัยไอซยวิทยาศาสตร์ อยู่ที่กะตีหลวงพอ่อก็ไม่ IC ซีอูเพราะจตุ่มจอนทองเสินหลายคนที่สร้างเอาไว้เพราะหลวงพอ่ออยู่กรุงเทพเนี่ยหายใหญ่ไม่ได้ต้องอาศัยไอซออกซิเจนช่วยถ้าเราไม่ใช่อยู่ต่อดเวลามันก็เป็นผลกระทบมันก็สู้ที่เกิดจากธรรมชาติจ้ไม่ไปได้ลองตอนเช้า สูดเราหายใจเข้าออกสักยี่สิบรอบรลองดูอย่าไปสุบกุดีพ่นพิษอย่างที่เราทำวัดเนี่ยเทียนก็ไม่จุดทูกก็ไม่จุดเราไม่ก็ไม่ไม่มีหอมที่เป็นพิษเป็นพาย มีดอกไม้หอมอยู่เดี๋ยวนี้มีต้นสาระเคยเห็นต้นสาระไหมที่จะออกดอกหอมงามที่สุดอยู่ในหน้าวัดแร้ไปดูก็ได้ต้นสาระเรามีแม่คีเห็น <c oughs> มันสวยงามชื่นใจเลเอาผ้าเหลืองไปห่อไว้ต้องผ้าเหลืองให้ต้นสาระเกี่ยวกับพระพุทธประวัติเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า <c oughs> แต่ะสูตาจนถึงป่านนี้ผ่านไปดูชิหลวงพ่อผูกไว้ผูกไว้สี่ต้นแต่ไม่ถาย่างคนตายากคันคูสะเขาไปตัดทิ้งซะสองต้นเหลืออยู่สองต้นต้นหนึ่งก็ผูกไว้ <c oughs> ใกล้กอไผ่ ก็ไผ่ลากไผ่ข้อมามันเลยไม่งามนี่งามต้นเดียวเอาดอกสวยงามมีบาจิกาเห็นมันสวยงามอยา ก, กมาบูชาพระหลวงพ่อขอดอกไม้สารมาบูชาถาวายพระหลวงพ่อก็ให้มาอยู่นั่นละทมันอยู่นั่นล ะ, ะ, นนนละก็ มือของเราละอย่างที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาอย่างปีนี้หมู่สงฆ์โปกต้นไม้กันโลบกับแผงวัดเลยยากที่สุดที่จะทําได้สําหรับหลวงพ่อสาหรับหลายๆคนก่อนคิดไม่ออกเมื่อโปกโรอกของแผงก็เปนสีเสียดเป็นแผงชั้นสองแล้วชั้นหนึ่งเป็นอีนบล็อกชั้นสองเป็นสีเสียดเป็นน้าที่ แน่หมากให้มันมีรอยมือของเราที่มันปูไว้ในแผ่นดินนี้ให้จนได้เขาเรียกว่าหรือว่าบุคคลหารายยากสองอย่างบุคคลที่ทำความดีไว้ปางก่อนแล้วบุคคลที่ตอบแทนความดีผู้ทําไว้ปางก่อนนี่เราหายาก ทำไมจึงว่าบุคคลหายากว่ามัญหาสองอย่างนี่ไม่ค่อยได้ทำความดีไว้ในปางก่อนให้ลูกให้หลานให้ประเทศชาติได้อาศัยให้โลกอาศัยฝีมือของเราเช่นพระพุทธเจ้าของเรานะั้นประเทศเอินเดียเนี่ยถ้าไม่มีพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นโอ้ยไม่มีใครไปดูแลร้ลายประเทศที่ลอย เยียบรอยมือพระพุทธเจ้าสองพัน <c oughs> กว่าปีก่อนสองวันห้าร้อยปีห้าร้ห้าสิบปียังมีอยู่รอยรอยความดีพระพุทธเจ้าก็มีความดีต่อกันมาอย่างพ่อไปดูบวรมุธโถ <c oughs> ที่ประเทศอินโดนีเซีย พอลมมพุโทโธนี่โอ้ยยิ่งใหญ่ที่สุดแลวภาษาอะไรประเทศไทยของเราภาษาอะไรกระจกวัดป่าสุขโขทพโพลมงุทโธนี่โอ้ยหลวงพ่อก็ยังภูมิใจอยู่กับรานเห็นโคงเวลานี่ไปเห็นหรือยังนะพระทายกลานเห็นโคงนะอยากไปปรากฏนอนที่นั่นนะ ถ้าหลวงพ่อไปปรากวดนอนที่นั่นคนทั้งหลายอย่าเป็นห่วงนะไอ้นี่ไอ้นี่มันอยากไปลุยอะไรจังหน่อยแต่ว่าบางครั้งก็ถนอมอืมอยากไปปรากฏร้านเห็นกงร้อยมืออาจารย์สงสินเกิดขึ้นแล้วรอยมืออาจารย์ตุ่มรอยมืออย่างหลายคนที่อยู่ด้วยกันร้อยมือปู่สงปีนี้เกิดขึ้นแล้ว คนมาหลางมาหลงพ่อบมดความสามารถอาศัยบามีของเพื่อนแล้วเวลานี่สร้างให้อยู่แล้วกติเขาก็สร้างให้อยู่หมดเป็นเกือบล้านบาททนะั้งพ่อทะยก็คิดไม่ออกเลยทั้งพ่อเนี้ยวัด ท, ทูร์รำไปบาลีเนาะอาใจบามีของโม่เนี่คนหาได้ยาก มาตอบแทนกันพวกเราตอบแทนพระพุทธเจ้าบรุรลงมาพุทธโธนี่จะเดินชมไม่ได้ดอกมันกว้างใหญ่ไพศาลต่งนั่งรถรถไฟรถไฟมันรถอะไรรถอิเต็นรถดีตัวค่อยๆตกตอกตกต อ, อ, อ, อ, อ, อยากลงตรงไหนเขาก็จอดเป็นที่เป็นที่ก็ลงชมน่นชมนี่ อา้าวเดี๋ยวมันกตต่อมาอีกรถขบวนหลังก็ ข, ขึ้นไปอีกโลไปอีกโลลงตรงไหนหนึ่งวันสองวันไม่ไม่ตลอดวันลมวมัพุธถูกไปเห็นไหมพวกเราที่นั่งอยู่นี่ก็บบไปดูเออไอคิดถึงประเทศไทยเราคิดถึงอยากให้ประเทศไทยมีล่องรอยความดีไปเห็น ทัไชยชันตาประเทศอินเดียเน่ยเขาเจาะภูเขาทําเป็นศาลาเป็นกติก้าวหลังภูเขาเป็นตัวอยูเนี่ยตัวอยู่นีเขาเจาะภูเขาสองชั้นสามชั้นใหญ่กว่าศาลาหัวในี่แต่ละชั้นแต่ละหลังเจาะเป็นห้องนอนของพระเจาะเป็นหมอนเอาเหินเป็นหมอน เจาะเป็นช่องวางผ้าจีวรสังขาติไปดูแล้วโอ้ยศรัทธาศรัทธาพระพุทธเจ้าหมู่สงฆ์ที่เกิดรุ่นเหล่าเขาหลังมามีศรัทธามาสร้างกันปัดทูคนเรานะ่ลอยศรัทธาแต่แต่ไม่ได้ถูกบังคับกลับใส่เหมือน เหมือนเหมือนอะไรนะเรื่องจิๆอะไรที่เป็นเขาสร้างให้พระเจ้าแผ่นดินเขาอะไรที่สวยงามได้ประเทศเดี <c oughs> าายวจำอะไรอันนี้รอยชัดตาพ่อไปเห็นเขาสร้างบรราันไดเขามีขวนเขาฝันเห็นออกแสง ภ, พ ภ, พภพาพภาพภาพกระดาบได ออกแสงเลยเขาขวนขุดถิ น, นฟันหินยังมีคนซ่อมแสมดูแลอยู่รัฐบาลอินเดียแล้วพาเราไปขอขวนดูทีวิตขวนเป็นยังไงไปฟันดูออกแสงแล้วมาจับดูยังมีคมนะโอ้เลยเกัดอะไเขาดีว่าจะ่เชื่อมันเล่นใหญ่เกินไปมันถือเครื่องเครื่องบินยาก ก็ไม่คิดหอ้ยกูจะไปสร้างทางขึ้นภูเขาบ้านกูลองดูชิดอย่งนี้นะจะมาสร้างทางขึ้นเขาฝันใหญ่เลยวันนี้ปุกกระดมชาวบ้านท่ามขาหวานว่าจะทำทางขึ้นเขาหลวงพ่อจะไปปรากฏอยู่หน้าผานะนัะนโอ้ยใหญ่มากกลังปรับที่อ ไปประกอเท่นให้โยมไปสมเข้าเท่นนะหลวงพ่อจะทำฐานจะไปเอาไฟสงขีนแล้วก็น้ำไปดับแล้วก็ตีไปมันเลกกะโนยไปชั่วอายุสี่สิบปีทนะั้งปีนั้นนะ่ะสี่สิบปีกำลังสู้เสือตุกท่ามาอยู่ที่นี่เนาะพอเจ้าโยกนองพอเปลี่ยนนอะสู้เสือตุกท่าแล้วก็ สารเวทางฝันกันคนก็โอ้ยไปคิดบ้าๆอะไรหนอไปจสารเวทางลงเขาคนบางคนก็เยอะเยอะปชาวบ้านไปตากขนสารเวทางตากขนก็เป็นคุทธนางะแมนบ่ไปสารเวทางห ม, มุนบ่หมุนดนรงต่ อ, องลงผู้องฝันกันนะบัดนี้นายเอเภอมา นายเปขอพูดสักหน่อยนะเนาะไม่เบื่อหรอกเนาะนายเปอมาเอ่อนายเปอดท่านนายเปอมาท่นานยเปิพานุพงนะใช่ไหมนั่นเนาะพาดูพงเอามาขามวานตปูตนมาปลูกไว้บ้านบ้านไม่เนีพาพงมาเลือนายเอปอว่าจะไปซื้อดินลเบิดที่ไหนแล้วพ่อจะมาทำอะไรจะมาทาทางขึ้นเขา มันไปซื้อไปได้ไมันผิดกฎหมายมีเงินหรือมีจะพาชาวบ้านทำนมันซื้อมาได้ดไมันผิดกฎหมายหายไปเรือร่อนเลยป่ะทุกเรือร่อนใหญ่เลยถ้านายนเพลไม่ทำหลองพ่อจะพาชาวบ้านทำาะอันนี้มาพูดว่าเราสมัยนั้นคึกดทเนาะคึกฤทเป็นนายกยธาบุตรีอา้า ไปแล้ววันะี้ตอนนนไปกับชาวบ้านใน ก, กับปั้นันผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้านสองสามหมู่บ้านแล้วพ่อก็เชนไปสํารวจหมู่บ้านให้พ่อพ่อชิงทองแค่สิงทองกับพ่อเดียวไปสํารวจหมู่บ้านในภูเขานี่ยสี่สิบกว่าหมู่บ้านสี่ตำบลสี่อำเภอที่อยู่ตน ส่งลงไปให้นายโยกธรรมนตรีทางอำเภอสารวจไปลงรงพ่อให้พอ่อเหลียวพอ่อเหลียวพอ่อจิงทองไปสํารวจเอามาบัญชีผู้คนอะไรเป็นหลายพันคนอยู่บนหลงเขาส่งไปให้คือฤทธิ์คือฤทธิ์ก็เางบประมาณมาพอได้งบประมาณจะสร้างสร้างเอ า, าให้งอ ม, มากกระจายยิ่ จะเอาเริงไปลงไปทางโน้นหลวงพ่อก็ไปปลุกรถดมอำเภอจังก้อเพาเภอพ่อข้าประชาชนเขาจะเอาทางลงคนคนใต้<ๆ>งองแข็งแรงกว่าเราสมัยก่อนมีอํานาจมากเขาเป็นใหญ่เพราะเราต้องทางขึ้นเขามีทางเส้ดเดียวที่รถึ้นได้ตัดโจนด้วยเนี่ยขัดแย้งกันทั้งหมดหลวงพ่อพามาทําแล้วเอารถ เครื่องจักรงานลงแล้วหลวงพ่อเขาจะไมนั่นบ้านเราแถมนั้นก็มีสีชมพูมีทาหารป่าเยอะแยะก็ทาหารเขาก็กลัวกลัวระเบิดกลัวทาหารป่าจะไปดักยิงก็ เ, เอาชาวบ้านไปวันละยี่สิบคนเอาไปเป็นแนวหน้าทางป่ารถแม็คแท็กเตอร์ก็ตัดถนนไปถึกก้อนห็นไปาทาง ท่านงมยกบวนมาเลยไม่ได้ไม่ได้เจ้าลงพ้นเอาลงท่านงมเอาไม่ได้ยังไงมันลงไปนี่แล้วไม่ได้หลงพ่อจุดจุดจุดจุดจุดจุด้อาาดจุดจุดบุดจุดทุดจุดไุดจุดจุดจุดจริงได้นดจุดจุดจ ให้เรามาฝันกันเถอะมาทำความดีให้แต่ประเทศชาติบ้านเมืองอาใสมือห้านิ้ว10บนี่ของเราเนะน้ำจิตจจต้มใจเจริญติตเนี่ยจเจริญสตินี้ให้มีในชีวิตของเราเนาให้มันมีให้มันเกิดขึ้นพ่อก็ไปบอก ตลาดตรงไปอย่างข้อเพราข้าประชาชนก็โยมทั้งหลายนะขเขาใจทางลงกน ท, ทั้งใต้งอมนะต้องสู้ด้วยกันนะเพรข้าประชาชนเจน็บเหมือนเจน็บเหมือนเยอะจังข้อนะ่ยเขาก็าอยากได้ทา ง, งนี้เหมือนกันน้องแมนว่เอาเงินเหมารถไปหานายกทัตมุนตีจะเอาทางร้นเฮได้ก็ลงได้สําเร็จเท่าตัวนี้เราก็สะดวกแต่ก่อนโอ้ย อาบกระดอนค้างกระเตียวขึ้นมาแล้วพอยางขึ้นเัาขอหาบเข่าสานบ้านนี้งงหยาาบขึ้ก้อนชงก้อ ง, อ, ง อ, ง อ, งองขึ้นมาออไอ้หลวงพ่อหาบบังในหน้ามันหนักปหนเลยหมโ <c oughs> ยมเขาก็ไม่อยากให้หาบโอ้ยจะหาบตลวงพ่ผมหาบแบงดงไหมหลวงมันแคหน่อยไหมบ่ ขอโยมจับไม่ขาน ไ, ไม่ไม่ประมาณองดูเลยค่ะพี่ตุ๊โอ้ยไม่ใช่แลยง่ายเลยไปเลยงาน <c oughs> ข้าวขึ้นเขาพว่จะได้ข้าวมากินแต่นี่หลวงพ่อก็มีรถยนเขาซื้อทั้งให้อย่างดีไม่คิดไม่นึกเลยมีสาหอใจมีสารหน้ามีลาเหนียนคงมีถนนล้นทางแต่ก่อนมาไม่ได้ทางรถติด มีแต่น่ก็รถติด อ, อืเดือนนี้ไม่ติดแล้วทางในวัดเรารถเข่งวิ่งได้ทุกสายไปเถอะดวกมาสะดว ก, ดวกที่อยู่อาศัยก็พอมีพวกเราก็ร้อยมือกันละ่ะทุกคนเนี่ยไม่ไอยู่ที่นี่อยู่ที่อื่นก็มาช่วยกันต่างประเทศก็มาช่วยแล้วก็ดีสร้างอําแพงนั่นนะ เป็นนี่เป็นสองแสนสามแสนโอ้ยไปประกาศขายรถมีรถกระบะคันหนึ่งไปขายรถเ น, านา่ยนะวะเป็นนี่ไรใยในใจจะมาใช่ไ่อคนงานก็ทำไม่ถอยเออมันคิดอะไรนะมาอาเซียสิงคโปรมาสองคนแล้วพอ่อยู่กติหลังอาจารย์วัฒชัยอยู่นะเอามาเอาัยเสร็จมาให้หลวงพ่อเจน ร, รับ รับเงินด้วยรับของด้วยให้ออกไปเจราน้าเข้าสารเป็นสิบๆกับสอบเงินมานับดูหรอสี่แสนบาทบาททบุญลันทับหมบอเป็นความจริงหรือเป็นความฝันหรือเป็นเป็นบ้าเนาะเราเนี่ยมาเช็ดเงินเช็ดเงินของของวรสี่แสนบาทเอาไปให้คนสิงคโปร์คนมาเลเซียดูววกกร้อยละเปอเซ็น เป็นรับเงินสี่แสนบาทเราไปรับข้าวสารเอาข้าวสารมาให้ชาว บ, บ้านมาดา้ยาแต่ก่อนป่าพงในแม่นว่เนปลาพงอุ้ ย, ยถ่วมรังสร้างรังเสือในนี่นะเจ้านายเอา้านี่ไม่ใช่เราอยู่นี่หลายคนทั่วโลกที่ช่วยเราร้อยชีวิตวีมือของเราที่ แต่ละคนห้านิ้วสินิ้วน้ำจิตต้ำใจทำความดีในชาตินี้แม้นเราไม่ได้อยู่รวมกันไปทำดีทุกทิศทุกทางทั่วประเทศทั่วบ้านทั่วเมืองชาวบ้านอยู่บ้านนะอย่าไปทะเลาะวิวาทกันอย่าไปทุกข์อย่าเบียดเบียน ท, ทําให้ตนเองเป็นทุกข์อย่าทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ ไปทำความดีให้นมันมีจริงๆนะความดีที่สุดแต่งความดีคือมรรคผลในพ่านให้ใจเย็นเย็นซาอย่าใจร้อนให้ใจดีๆซาอย่าใจลายให้ทำดีๆซาอย่าไปทำชั่วมันทำได้ให้มีสติมันทำได้ความโลภความโกรธความหลงมันจะอยู่ที่ไหนมันมี ควมลู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะไปขอร้องอะไรไปอ้อนวอนที่ตรงไหนกันนี่คาสอนที่เป็นสัจะธรรมเป็นสัจธรรมมาไม่ได้อยู่ที่นี่ทําที่ไหนก็ได้ถ้ามีเวลาก็มาอยู่ด้วยกันเพื่อการนี้พวกเรามาเัะเพื่อการนี้มาพักผ่อนมาปฏิบัติธรรมมาทําความดี หลวงพ่อก็ไปทำความดีสมัยสี่สิบกว่าปีที่หลวงพ่อเตียนฝั่งแม่น้ำาขงเขียงขานไปทำดีอยู่ที่นั่นหัดทำความดีโอ้ยย้ายมาพุทธยานย้ายมาขอแขนแก่นย้ายมาจนามน้ในย้ายมาทับเพลงขวนย้ายมาอยู่ภูคงหนึ่งสามสิบปีแล้วเนาะแม่นบอกพอทยอยอ อุ้ยพวกเราเนง่อ้ยมาคิดตูนะล่องรอยความดีก็มีอยู่เมืองเลยก็ยังมีอยู่ร่องลอยความดีก็มีอยู่ที่วัดโบกที่สนามไหนที่ทับไม้ขวัญกอไผ่ที่หลวงพ่อไปผูกไว้ทับไม้ขวัญน่ะแม่น้ำลายมันไหลมาเนี่ยอามาชนเกาะต้นไม้ขวัญมันพังไปพังแปรก็เลยวางแผนเอากอไผ่บ้านไปผูก โอ้ยตอนนี้พ่อเป๋เอ้ยม่น้าไร่โมยานไร่เดี๋ยวนี้อะไวมาทำกอไผ่ที่ปลูกไว้นะหลายอย่างฝีมือเราความดีทั้งหลายให้บันติดกับลูกกับหลานทำความดีไ้เพื่อลูกทำความถูกไปเพื่อหลานเพื่อศาสนาเพื่อล่องรอยแห่งศาสนาของเราร้อยมือของเรา ร้อยคิดของเราร้อยกระทําของเราน้ําใจของเราให้หัดทําให้ทําอย่าแตนี่ความดีเอาไปพูดเอาไปทําให้คนดูเอาไปคิดช่วยกันแม้นมันคิดอะไรที่อย่าไปคิดแบบเลื่อนหลางคิดแบบตั้งใจวันนี้หลวงพ่อวันนี้ตอนเจ้าจะไปขุด เลางพ่อเดินดูแถโน้นจะไปกดตอไม้ออกนะปลูกต้นไม้ปลูกประกอบไว้มันมีต้นน้าห่างเกิดขึ้นพ่ออบไม่กไปกดออกกันนะถือหย่อบด้วยมาวางไว้ตรงนี้ทำว่าเจ็ดก็บอกสวยเพียนว่าดามจบลางจบแล้วสายเพียนเอ้ยล่างจบล่างจ บ, งจบวันนี้บอได้ล่างหรอกทีลางไม่กดอ่านั้นมันก็ทำกันดี แล้วอาจารย์ติกไปปลูกตะเคียนปลูกไม้ยางที่เขาถางใหม่ใหม่ไม้ยางไม่ตะเคียนมันขึ้นใต้ล่มไม่ได้ปลูกไว้อาจารย์ติกเนี่ยเโอ้ยเจ๋งนลยเจ๋งกลวลงพ่อลอยเท่าพันเท้าหลวปลูกว่าดับไปเลยตามมันอันนี้เนาะทุกคนละ่ะทุกรูปเลยเนี่ปฏิบัติก็เจ๋งกันตั้งใจกันทุกคนปลาสงบจริงๆไม่ได้อ่ บอกได้สอนอะไรกันมีก็พวกก่อนนั่นนะมาทำวัดด้วยเทนังนะไปไปชมอำเภอเขาถามว่ามีพระอยู่ด้วยกันไหมมากไหมก็มีมากเยอะยี 20, 30, ่สิบสามสิบดวงเได้ได้พูดยากไหมสอนยากไหมอุยไม่ได้บอกได้สอนเลยพระที่ทวัดผมเกลียบล้จริงๆมีแต่ผมอายเขาอายพระทำอะไรก็ไม่ได้ทำวัดก็ไม่ ไ, ไปขไปฉันไม่ได้ อ่ามีส้าดีเอ้ผมมีภาพสามโลก็ไม่ถูกถกันเลยไม่ถูกกันเลยเฮ้ยจังได้ออ่พอด่านนี้พวกเราความดีก็ต้องไปต่อความดีความชั่วไปต่อความชั่วเรามาเริ่มต้นความดีสักหน่อยเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเด่นเก้าออกไหมปฏิบันี้ฮะเก่าไหมละ มาถึงแล้ววันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทราอะไรอยู่ให้เจริญเจตีอยู่ให้มันงอกงามขึ้นมาวันนี้ได้รู้ได้หลงวันนี้ได้รู้ได้หลงได้รู้มากหลงน้อยอะไรที่มันเป็นความหลงมาทางใดมุมใดเรารู้ประตูที่มันมาความทุกข์มันเกิดขึ้นยังไงเรารู้ทางมันนี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่ความดับทุกข์ นี่วิธีความดับทุกข์ดับทุกข์ได้แล้วดับความชั่วได้บ้างแล้วให้มีฝีมือให้ยกมือไหวตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้เพราะเราเอาชนะความทุกข์ความหลงความวิตกวนได้บ้างเล็กเล็กต้อยน้อยให้มีเหลี่ยมไหว้ตัวเราอย่าไปจินแหงแขงใจตัวเองมีแต่ความชั่ว มันเป็นบาปกอกุศลและอกุศลเสาะงาสร้างกุศลอกุศลคือความชั่วกุศลคือทำความดีแล้วเหนือความดีอย่าไปติดดีจนอวดอ้างความดีก็ไปขัดแย้งคนอื่นไม่ใช่ความดีไม่ต้องขัดแย้งกับใครความดีเนี่ยบางคนติดความดีไปขัดแย้งกันแล้วดีกว่าเขาเขาเรวกว่าเราขี้หน้าขี้หลังดูดา่า อะไรกันเปรียบเทียบกูจังสั้นกูจังที่อย่าไปบ้าเดอ้ออ่าอ่าไปทาําให้เขาดูหัวเลาะยิ้มแยแจ่มใสลูกเต้าหลอดล้านขึ้นมาบ้านเห็นแม่ใหญ่เห็นพ่อเห็นแม่นั่งยิ้มนี่โอ้ยชื่นใจชื่นใจลูกเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ชื่นใจถ้าลูกเห็นพ่อแม่หน้าบูดตะบึ้งไม่อยากเข้าไปใกล้แล้วแต่ก่อนเคยคิดถึงแม่ไปเลยแม่ไปนาะ เมื่อไรแม่จะกลับมาเนาะเมื่อไรแม่จะกลับมาเนาะพ่อแม่กลับมาเอาโวยวายโวยวายมาเจอเข้าบ้านน่นโวยวายโวยวายพ่อลูกมองเห็นหน้าโอ้ ย, ย, ย, ย, ย, ยใจห่อเหี่ยวนะหลงพ่อเคเห็นนะแม่เปียนสมัใหลวงพ่ อ, อยู่บังเลยนะ่ะอะไปเบญทบาตทยมผู้เท่าคนหนึ่งไปเข้ามาเข้าจีนยังเนี่ยหอบของกลับบ้านมีเสือมยหอนเมยผ้าผมเมยมุ้ง ออกมาเดินมาใกล้จะถึงบ้านแล้วหลวงพ่อไปปินธบาทพอดีทิ้งเสื้อลงเลยโบสถว่าลูกไม่ไปรับโอ้ยไม่ไปได้ออย่าไปโกรธก็โอ้ยไม่ใช่เอ้ยหลับถิ่นไม่ไม่เนาะเบียงไม่จังกี้เนาะลูกเต้าก็เศร้าใจเลยวิ่งไปไปรับเอาเสื้อที่แม่ทิ้งไว้กองไว้หน้าบ้านอ อย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปทำอย่างนั้นนะไม่ได้ให้ยิ้มเยี่มยมใสให้เขาชื่นใจต่ออายุให้มันติดลูกไว้โอ้ยหนักหนาขนาดไหนแม่ก็ยังยิ่มอยู่นะยังยิ่มอยู่ยังสบายอยู่ยังช่วยลูกอยู่ทุกวิถีทางเป็นอย่างนี้เอาอันนี้ก็สมควรใจเวลา